บุ๊กทูหกสิสามเฉการตั้งคําถามสองปิตาชสาดวดิฉันมีงานอดิเรกมามโคนิชกาดิฉันเล่นเทนนิส หรามเทนนิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Gdje je tenisovikurat? คุณมีงานอดิเรกไหม Mas neki k, k o n i c e k ดิฉันเล่นฟุตบอลหรามฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Gdje futbalovajerisko? ดิฉันเจ็บแขนบอริมารามโนดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย m o ย a นุฮะอ m o อ a ารุกะตากิสโตบอริยมีคุณหมออยู่ไหมคะคุณหมอดิฉันมีรถมามอตโต ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยมามอิตมตอร์ูดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะทีปาร์โกวิสกดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มามพูลอเวรดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยมามไอบุนดูอ j จีนซี เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะเยปราช ka ดิฉันมีจานมามตันเยรดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนมามนวอชวิดลิชคูอไจิชคูเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะะย s โ l อคร